นิสัยทุกขกันไหนห้เจ็นเหตุปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมี13าวาระนอารามณปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมี13วาระนอธิปติปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมี13วาระนอนันตระปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมี13วาระนสมนันตรปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมี13วาระ นสหชาตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมีสาวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนิสยปัจจัยมีเจวาระณอุปนิสยปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระณอาเสวนปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระ นกรรมปัจัยกับนิสัยปัจัยมี13วาระนวิปากัจจัยกับนิสัยปัจัยมี13วาระนอาหารปัจจัยกับนิสัยปัจัยมี13วาระนอินทรียปัจัยกับนิสัยปัจัยมี13วาระนัชานัจจัยกับนิสัยปัจัยมี13วาระนมรรคปัจัยกับนิสัยปัจัยมี13วาระ นาสัมปยุตตปัจ <nek> ัยกับนิสยปัจจัยมีเจวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระโนวิกตปัจจัยกับนิสยปัจจัยมี13วาระนิสยมิสกะฆัตนา572นาเหตุปัจจัย กับปัจจัยสคือนิสัยอัติและอวิคตะมีสิบาวาระณอารามณปัจจัยกับละมี13าวาระณอธิปติปัจจัยกับละมี13ามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมี13าวาระณสมาันตรัปัจจัยกับละมี13าวาระณสหชาณตปัจจัยกับละมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับละมีเจดวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมี13าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมี9้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี13บาวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี13วาระนกรรมมปัจจัยกับละมี13วาระนวิปากปัจจัยกับละมี13าวาระ นอาหารปัจจัยกับละมี13าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมี13วาระนชาณปัจจัยกับละมี13าวาระนมะขะปัจจัยกับละมี13าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีเจดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสาวาระโนนติปัจจัยกับละมี13วาระ นวิกตปัจจัยกับละมี13วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคือนิสัยอธิปติอธิและอวิคตตมี8ดวาระนอารามณปัจจัยกับละมีเจดวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีแปดวาระนสมนานยายันตรปัจจัยกับละมี8ดวาระนสหาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสี่วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปูเรชาตปัจจัยกับละมีเจดวาระนาปัจชาชาตปัจจัยกับละมีแปดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีแปดวาระนากรรมปัจจัยกับละมีแปดวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีแปดวาระ นาอาหารปัจจัยกับพระมี8ดวาระนอินตริยปัจจัยกับพระมี8ดวาระนัาชาณปัจจัยกับพระมี8ดวาระนมัคคปัจจัยกับพระมี8ดวาระนาสามปยุต ป, ป, ปัจจัยกับพระมีสี่วาระนัวิปยุตปัจจัยกับพระมีสมวาระโนนัตถปัจจัยกับพระมีแปดวาระ นวิกตปัจจัยกับละมีแปดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคือนิสยาอินทริยะอัตถิและอวิคตามีเจดวาระนอารามณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาธิปติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีเจดวาระนสมนันตรปัจจัยกับละมีเจดวาระ นสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเจดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัปัชชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอาเสวณปัจจัยกับละมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ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 นวิกตปัจจัยกับละมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย่คือนิสยวิปยุตตาอัติและอวิกตมีห้าวาระนอารามณปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอธิปติปัจจัยกับละมีห้าวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระนสมานันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระ นัสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระนัอุปนิสัยปัจจัยกับละมีห้าวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัปัจชาชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนักรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีห้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระณอินทรีย์ปัจจัยกับละมีห้าวาระนาชาณปัจจัยกับละมีห้าวาระนมรคปัจจัยกับละมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีห้าวาระ โนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือนิสยอธิปติวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีสี่วาระนอารมณปัจจัยกับละมีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระนสมานันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระนสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัอัญญมัญญาปัจจัยกัปละมีสี่วาระนัอุปนิสัยปัจจัยกัปละมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระนัปัชชาชาตปัจจัยกัปละมีสี่วาระนัอาเสวนปัจจัยกัปละมีสี่วาระนักรรมปัจจัยกัปละมีสี่วาระนัวิปากปัจจัยกัปละมีสี่วาระ นัอาหารปัจจัยกับละมีสี่วาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีสี่วาระนัชาณปัจจัยกับละมีสี่วาระนัมัคคปัจจัยกับละมีสี่วาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสี่วาระนัเหตุปัจจัย กับปัจจัย5คือนิสัยอินทริยะวิปยุตตาอัติและอวิกตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตระปัจจัยกับละมีสามวาระณสมาันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสะหาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นัอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนัชานปัจจัยกับละมีสามวาระนัมะกะปัจจัยกับละมีสามวาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัธีปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระปกินณกกัตนา573า นัเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือนิสยปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีสามวาระน่อารามณปัจจัยกับละมีสามวาระน่อธิปฏิปัจจัยกับละมีสามาระน่อนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระน่สมานันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ นสห a c ตปัจจัยกัปละมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยกัปละมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยกัปละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกัปละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกัปละมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกัปละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกัปละมีสามวาระ นัอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนัชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนัสสัพยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนัเหตุปัจจัย กับปัจจัย6คือนิสัยอารามณะปุเรชาตะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีสามาระนาที่ปฏิปัจจัยกับละมีสามาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามาระนสมนันตระปัจจัยกับละมีสามาระนสหชาตปัจจัยกับละมีสามาระ นัอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนับปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนัปัจฉาชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระนับอาศวนปัจจัยกับละมีสามวาระนักรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนัวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนาชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนามัคปัจจัยกับละมีสามวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหิุปัจจัยกับปัจจัย8คือนิสยา อรามณะอธิปติปุปนิสยาปุเรชาตะวิปยุตตาอัธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสสัมันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสสหชาตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับละ มีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณกามะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณมัคกปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ณสัมปยจจุตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือนิสัยปุเรชาตะอินทริยวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจนะ um จัยกับละมีหนึ่งวาระ หน้าที่ปฏิปจัยกับละมีหนึ่งวาระณอนันตรัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหนสมานันตรัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหนสหชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจัยกับละมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหนปัจฉาชาติปจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอาเสยวณัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาฌานัจัยกับละมีหนึ่งวาระนามัคคัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนาติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาติคัตนา5้านเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคือนิสยาสหชาตะอัตติและอวิกตะมีก้าวาระณอารามณปัจจัยกับละมีก้าวาระณอธิปติปติปัจจัยกับละมีก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีก้าวาระ นัสมนันตระปจจัยกับละมีกาวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมี๕วาระนัอภินิสยปัจจัยกับละมีกาวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีกาวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีกาวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีกาวาระนักรรมปัจจัยกับละมีกาวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีก้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีก้าวาระนอินทรีย์ปัจจัยกับละมีก้าวาระนาฌานปัจจัยกับละมีก้าวาระนมรคปัจจัยกับละมีก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหาวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสาวาระ โนนัตถิปัจจัยกัปละมีก้าวาระโนวิคตปัจัยกัปละมีก้าวาระนัเหตุปัจเจกัปปัจจัย5คือนิสยสหชาตะอัญญมัญญอัตติและอวิคตะมีสามวาระนัอารามณปัจจัยกัปละมีสามวาระนัธิปฏิปัจจัยกัปละมีสามาระนัอนันตรปัจจัยกัปละมีสามวาระ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 นวิกตาปัจจัยกับละมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยหคือนิสยาสหชาตะอัญญมัญญะสัมปยุตติอัตถิและอวิกตะมีสามวาระนัอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนัธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนัอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนาาณปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนตทิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัย กับปัจจัย5คือนิสยาสหชาตะวิปยุตตะอัถิและอวิขตะมีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมานันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นาอินตริยปัจจัยกับละมีสามวาระนาชานปัจจัยกับละมีสามวาระนามะขะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิขตตปัจจัยกับละมีสาวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือ นิสยสหชาตะอัญญมัญญวิปยุตตาอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นามัคคะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะาหนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือนิสยาสหชาตะวิปากะอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นาอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอธิปฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมานันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุริศยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นัสสัญปยุตตะปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคือนิสยสหชาตะอัญญมัญญวิปากะอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระ นอาามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนันทารัปปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสมันทารัปปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปนิเตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัอเสวะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนักกรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาวิปปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือนิสสยาสหชาตะอัญญมัญยวิปากะสัมปยุตตะอัธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเฮตุปัจจัยกับปัจจัยหคือนิสยสหาชาตะวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระนาะอารามานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาะอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาะอนันตรปปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นัอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัจานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัย กับปัจจัยเจ็ดคือนิสยาสหชาตาอัญญมัญยวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอนันตรัพปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณสมาันตรัพปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นอุปณิสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ la, นปุเรชาตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ la, นปัจฉาชาตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ah la, นอาศเวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสันปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ no ่งวาระโนนาทีปัจจัยกับละมีห no นึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะหนิสสยมูลกนัยจบ